มตั้งใจเรียนเปิดใจให้กว้างมาเรียนรู้คนไหนยังไม่เคยเรียนแบบหลวงพ่อนะก็เปิดใจให้กว้างแล้วก็ฟังดูลืมความรู้เก่าๆไปคนเราจะเรียนของใหม่ได้นะต้องกล้าพอพวกที่เรียนกรรมฐ า, านยากสองกลุ่ม พวกหนึ่งคิดมากอาศัยได้ยินได้ฟังนะแล้วก็คิดคิดคิดไปด้วยวิเคราะห์หาเหตุหาผลเปรียบเทียบไปเลยพวกนี้จะเรียนธรรมะไม่รู้เรื่องหรอกเพราะการเรียนกรรมฐานจริงๆนะคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามของกายใจเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเปรียบเทียบสำนักน้นสอนอย่างนี้สำนักนี้สอนอย่างน้นฟังไม่รู้เรื่องหรอก อีกพวกที่เรียนยากนั้นก็คือพวกกิดเพ่งพวกทําสมาธิมามากก็คิดว่าทำสมาธิไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะฤาษีทั้งหลายบรรลุก่อนพระพุทธเจ้าเงินติดสมาธิทำมานานแค่ไหนเก่งแค่ไหนก็วางไว้ก่อนมาฟังวิธีที่จะเจริญมีปัสนากรรมฐาน หลังๆน่าจะสอนง่ายขึ้นนะยแุแรกๆสอนยากตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนเข้าเราไม่รู้หรอกว่าพระพุทธศาสนาจะดับศูนย์ไปเมื่อไหอไรกระทั่งในเมืองไทยระหวังพึ่งใครไม่ได้เลยนักการเมืองพึ่งไม่ได้ข้าราชการพึ่งไม่ได้ กระทางพระแห่งพึ่งยากเลยเป็นพวกเราคนธรรมดาธรรมดานี่แหละพยายามเรียนให้รู้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนให้ได้หลวงพ่อไม่แน่ใจนะว่าอนาคตเราจะมีพระหรือเปล่าถ้าไม่มีพระนียอุบาสกอุบาสิกาต้องทรงทำไว้ได้มันไม่แน่เลย ทุวันนี้ภาพพ์ของพระเสียมากเลยเสียหายซัาซ้อนตลอดเวลาเลยคนก็คิใจะแก้อย่างบางวัดมีปัญหาเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายไม่ได้บังคับใช้พระธรรมวินัยไม่ได้ที่จริงกฎหมายมันก็มีอยู่ทั้งนั้นแหละพระธรรมวินัยมันก็มีอยู่แล้ว ถ้าบังคับใช้ได้มันก็จบพอบังคับใช้กฎหมายใช้พระธรรมวินยัยกับคนบางกลุ่มไม่ได้อิทธิพลเยอะคิดแก้ปัญหาอาจจะสร้างปัญหามากกว่าเก่าได้เอาคนที่ไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจคำสอนของพระเจ้าไปแก้ปัญหามันจะกลายเป็นกลุ่มหนึ่งสร้างสัตธรรมปฏิรูปขึ้นมา กลุ่มที่เข้าไปแก้ก็ปฏิรูปต่อไปอีกมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะละเอียดอ่อนมากเลยบางคนไม่เข้าใจเรื่องของพระเลยอย่างตอนนี้ก็เริ่มมีความคิดไนมะ่ใจะให้ขราวาสมาปกครองวัดปกครองพระให้ชุมชนให้คนรอบรอบวัดมาดูแลวัดเพราะว่าอะไรเพราะพร ะ, พระทำตัวไม่ค่อยดี พูดเหมือนคนรอบวัดมันทำตัวดีมันก็ติดยาติดเหล้าเสพเลเล่นการพนันท้องถิ่นะพวกปกครองท้องถิ่นทั้งหลายมันก็อิทธิพลท้องถิน่นปกครองดูแลทรัพยากรท้องถิน่นมันก็เอาหาผลประโยชน์บางวัดนะ พวกอิทธิพลท้องถิ่นเข้ามาดูแลวัดนี่แหละมาหาผลประโยชน์จากวัดไปเรื่อะย ร, ย ร, ยรยวัดจะทำโน้นวัดจะทำนี่วัดไม่รู้เรื่องหรอกได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะมาให้หน่อยหนึ่งแล้วก็สั่งสมภารนะเงียบๆนะอย่าพูดมากนะอยู่เฉยๆเราอยู่ได้ถ้าโต้แย้งขึ้นมา ก, ก็จะเล่นงานเลยหาเรื่องให้ประชิกอนะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเอา ฆราวาสมาปกครองวัดปกครองพระคิดหรือว่าฆราวาสมันดีกว่าพระหรือคิดว่าจะเอาเงินของวัดทั้งหลายไปเข้ากองกลางให้เฉลี่ยกับวัดอื่นมันผิดพระวินัยนะน้อมรับสงหมู่หนึ่งไปเพื่อสงหมู่อื่นนี่นกลายเป็นสัต ร, รมปฏิรูปเป็นทอดทอดทอดไป หรือบอกว่าตอนนี้ประท้วงพระนะช่วยกันประทวงพระอย่าใส่บาตรอย่าไปใส่บาตรมัอก็คือให้พระสูตรด้วยแหละบอกว่าอย่าไปทําบุญด้วยเอาเงินถาวายพระบาปนะที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้กําหนดอย่างนั้นท่านกาหนดมีวายาวัจกรมีพระวินัยเรื่องวายาวัจกรเอาเงินไปให้พระไม่ถูกเอาไปฝากวายาวัจกรไว้ได้ กลายเป็นว่าห้ามฝากวิยาพระชากรดนะ้วยอย่างเงี้ยแล้วไม่แก้หมดนะแก้พระธรรวินัยเป็นทอดทอดทอดไปคนละนิดคนละหน่อยสุดท้ายก็หมดอนะ่ะไม่ได้ดูว่าทุกวันนี้คนใส่บาทมีกี่คนพระในเมืองนี้อยู่ไม่ได้เลยนะอย่างพระในกรุงเทพเนี่ยถ้าไม่มีได้ไปสวดศพได้ตังค์บ้างอะไรนะไปซื้อข้าวกิน <c oughs> เป็นมานานแล้วในกรุงเทพ เมื่อ30ปีก่อนมันมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านไม่สบายแล้วก็มาอยู่โรงพยาบาลวชิระรู้จักไหมวชิระแถวสามเสนนะแต่ท่านยังเดินได้ช้าช้าก็ไปบินทบาทมีวันอาทิตย์หลวงพ่อเข้าไปหาท่านท่านกลับมาจากบินทบาทบาทท่านนะเป็นสุญญตา ท่านบอกวันอะาทิตเนี่ยคนกรุงเทพไม่ตื่นเลยเดินไปไกลๆนะั้นมีแต่บ้านปิดประตูทั้งหมดเลยเนี่ยเราบอกว่าเรียกร้องพระมากมายห้ามอย่างโน้นห้ามอย่างนี้ทุกวันนี้พระลดลงเรื่อยๆนะลดลงเรื่อยๆที่เหลือเนี่ยที่ประคองตัวให้อยู่ในธรรมในวินยัยยากมากเลย ในหลายๆประเทศที่พระาศาสนาหมดไปพระหมดไปแล้วศาสนาก็หมดไปด้วยก็เพราะว่าสังคมหรือการเมืองนี่แนะเข้ามาแทรกแซงเข้ามาจัดการนี่เราไม่รู้หรอกว่าพระจะหมดไปเมื่อไหร่วัดจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะถ้าฆาราวาสเข้ามาปกครองาศาสนานะเราจะดำรงอยู่ด้วย พระอย่างเดียวไม่ได้ล้วพุทธบริษัทสี่นะ อ, อุบาสุบาอุบาสิกานะแทบจะเหลืออยู่สองแล้วภิกษุใกล้กจะหมดแล้วภิกษุนีหมดไปแล้วนะบางคนพยายามลือฟื้นภิกษุณีมันลือฟื้นไม่ได้เหมือนอย่างพระเนี่ยถ้าพระขาดการบวชสืบทอดแล้วนะั่นจะมาบวชทีหลังอีกขึ้นมาอี ก, ม, อกมันไม่เป็นพระล้วมันเป็นไปไม่ได้ภิกษุนีเก็ขาดช่วงไปนล้วจะมาบวชอีกก็ไม่เป็นขึ้นมาล้ว ของบางอย่างเมื่อสูญเสียไปแล้วไม่มีทางกลับคืนแล้วบางอย่างเสียไปยัางาคืนได้บางอย่างเสียไปแล้วไม่มีทางอาคืนแล้วบริษัทสีกนะ็จะเหลืออุบาสกอุบาสิกาถามว่าอุบาสกอุบาสิกาทุกวันนี้ที่สนใจธรรมะมีสักเท่าไหร่มีน้อยอย่างยิ่งเลยอาธรรมนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยงั้ชาวพุทธเรา เ, เป็นคนส่วนน้อยอย่างยิ่งเลยต้องใช้คาว่าอย่างยิ่งเลยมีนิดเดียว มันเป็นพุทแต่ชื่อนะตอวัดตายแล้วก็หามเข้าวัดไปสวดศพต่อไปก็ไม่ต้องเข้าวัดต่อไปมันจะมีบริษัทรับจา้างเผาศพนะต่างประเทศก็เป็นอย่างนั้นกําหนดออกมาเลยกําหนดอยากได้เผาออกมาแล้วให้กระดูกเป็นพระาธาตุกาได้เอามาเป็นแก้วเลยกระดูกนะอุาบาสกมรรคกาที่เราสนใจนะศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีน้อยนะ ยัรีบศึกษารีบปฏิบัติเข้านะตั้งออกตั้งใจฟังให้มันรู้หลักของการปฏิบัติพระพุทธศา ส, สนาไม่ใช่ศาสนาของการคิดเอาเป็นศาสนาที่ต้องปฏิบัติคือลงมือปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงความจริงของอะไรของรูปของนามเมื่อรู้ความจริงของรูปนามของกายของใจแล้วเนี่ยจิตจะปล่อยวาง ความยึดถือในรูปในนามเมื่อจิตไม่ไม่ยึดถือจิตจะไม่ทุกข์เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานะที่เรามาศึกษามาปฏิบัติกันนะเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันห้างั้นเราจะปฏิบัติไปสู่ความดับสนิทแห่งขัน5้าฟังแค่นี้คนส่วนใหญ่ก็กลัวแนละ้ว คนส่วนใหญ่เรักในขันห้าอย่างรักในรูปกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายรักมากในยหวงจะแก่ไม่อยากแก่จะเจ็บไม่อยากเจ็บจะตายไม่อยากตายรักในอารมณ์ที่พอใจจะอยากได้อารมณ์ที่รักที่พอใจอยากอยู่กับคนนี้อยากเห็นสิ่งนี้อยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอย่างนี้ ถ้าไม่ได้ก็เป็นทุกข์กลุ้มใจคนส่วนใหญ่ก็มองไม่ออกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ก็ดินนรนทำไงกายจะเป็นสุขทำไงจิตใจจะเป็นสุขสัตว์โลกทั้งหลายก็ดิ้นรนเพื่อสิ่งนี้แหละดิ่นอนเพื่อให้ร่างกายเป็นสุขเพื่อให้จิตใจเป็นสุขทำไมเราต้องเที่ยวทำมาหากินเหนื่อยยากแทบแย่เลย จะได้มีข้าวกินมีเสื้อผ้าใสมีบ้านอยู่เจ็บป่วยก็มียารักษาเพื่อให้ร่างกายมันมีความสุขทำไมเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขต้องรักคนนี้ต้องมีความรักโตขึ้นมาก็ต้องอยากรักตอนเด็กๆก็รักพ่อรักแม่พ่อแม่ไม่รักก็มีความทุกข์พ่อแม่ทิ้งไปหรือพ่อแม่ตายไปก็มีความทุกข์บ้านแตกก็มีความทุกข์ พวกเราคนไหนเป็นเด็กบ้านแตกมั้งมีไหมยกมือให้หลวงพ่อดูสิมีไหมน้อยนะแต่รุ่นต่อไปคงเยอะรุ่นเรายังมีน้อยมันทุกนะกพราความสุขของเราเนี่ยต้องได้มาตอนเด็กๆ ก, ก็ได้ความรักของพ่อของแม่แล้วมีความสุขเป็นับรุ่นมีเพื่อนรักนะเพื่อนยอมรับ ก, ก็มีความสุข พวกเราคนไหนไม่ค่อยมีเพื่อนบ้างมีไหมยกมือซิเพื่อนไม่รักเลยเพื่อนเกลียดก็มีนาะมีต้องดูตัวเองนะทําไมไม่มีใครครบๆอ่ะไม่ใช่เพื่อนมนเลวหมดเนอกบางทีเราก็มีฉุนรอนเหมือนกันโตขึ้นมาก็อยากมีคู่ใครไม่มีคู่บ้างมีไหมยกมือซิยุคนี้เยอะแล้วล่ะนะ แล้วก็มีคําขวัญอยู่คนเดียวสบายดีเรื่องอะไรต้องไปรับภาระคนอื่นีนคนบางคนจะไม่ได้ดิ้นรนอยากมีคู่ไม่งั้นมันเหงาอยู่คนเดียวเหงาอยู่สองค น, นตีกันทั้งวันเลยไม่เหงาอายุมากขึ้นนะอยากมีลูกมีหลานลูกหลานไม่รับก็เฉาไปเลย เร า, เาชีวิตฝากไว้กับคนอื่นมาตั้งแต่เกิดนะเด็กๆฝากไว้กับพ่อแม่เป็นวัยรุ่นฝากไว้กับเพื่อนโตขึ้นมาก็ฝากไว้กับคู่ของเราอายุมากขึ้นบ้างนนก็ฝากไว้กับลูกกับหลานต้องการความรักต้องการแล้วมันได้ตลอดไหมมันไม่ได้เรารักใครนะเราต้องใครยเอาใจเขา ทันทีที่เริ่มรักเราก็เสียอิสรภาพแล้วอย่างเราจะรักใครสักคนเราต้องเอาใจในความสุขของโลกความสุขหลอกอกบางคนคิดว่าไม่มีแฟนก็ได้หาเงินเยอะๆมีเงินมากๆแล้วจะมีความสุขบางคนมีเงินหลายหมื่นล้านเห็นมีความสุขเลยบ้านยังไม่มีจะอยู่เลย ลำบากบางคนคิดว่ามีตำแหน่งสูงๆแล้วมีความสุขต้องไปดูวันที่หนึ่งตุลาแต่ละปีมีพวกตำแหน่งสูงๆตกก็อี้กเกษียณเนะคยใหญ่นะเดินไปไหนคนกราบคนไหว้หรือยังสอสออะไรเนียใหญ่โอ้ใหญ่ขับฟ้าเลยเจอข้าราชการนะตบบาทเมดแม็ดเมด พอเขายุบสภาหมดมาวาระจองเที่ยวเดินไหวเขาหมดเลยเนี่ยชีวิตที่อาศัยคนอื่นนะพึ่งคนอื่นว่าตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยอาศัยคนอื่นทั้งนั้นเลยเขาให้ตำแหน่งถึงวันหนึ่งเขาก็เอาคืนชื่อเสียงเกียรติยศคนอื่นเขาให้เราอยู่คนเดียวเราตั้งชื่อเสียงเกียรติยศของเราคนเดียวได้ที่ไหนล่ะ นั่งด้วยตเองว่าโอ้ชันนี่มีชื่อเสียกมากเดินไปไหนหมายังไม่มองหน้าเลยสิ่งเหล่านี้คนอื่นให้มาทางนั้นนะใหมามันก็ไม่ใช่ของเรานะวันหนึ่งก็สูญเสียชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นร่างกายนี้เราอยากให้มันมีความสุขมันก็มีความสุขอยู่ไม่นาน ดูแลมันอย่างดีเลยไม่นานมันก็แก่ไม่นานมันก็เจ็บไม่นานมันก็ตายจิตใจเราเราอยากให้มีความสุขในการต้องอยู่กับคนนี้ต้องมีสิ่งนี้ต้องไม่เจอสิ่งนี้มันก็ไม่ได้อย่างที่หวังตลอดเราอยากให้มีความสุขใช่ความสุขมันเองคนอื่นอยู่เรื่อยแค่อยากจะอาศัยเขาต้องพึ่งพาเขาเพื่อให้เรามีความสุข แค่นั้นเราก็เสียอิสรภาพน่ะเราก็ทุกข์แล้วงั้นในความเป็นจริงก็คือเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักนี่เป็นความจริงของชีวิตเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักห้ามมันไม่ได้หรอกสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือร่างกายจิตใจของเรานี้นะ ถามว่าร่างกายนี้เราจะต้องพลัดพรากไหมเราพลัดพรากนั้นเราพลัดพรากมาหลระดับละเราพลัดพรากร่างกายที่เป็นเด็กไปแล้วพลัดพรากร่างกายที่เป็นวัยรุ่นไปแล้วบางคนก็เริ่มพลัดพรากวัยหนุ่มสาวไปแล้วต่อไปก็พลัดพรากร่างกายนี้นอนทิ้งไว้ทับถมแผ่นดินประดุดท่อนไม้และท่อนฟืนหาสาระอันใดไม่ได้ เป็นอย่างนั้นคนที่เรารักมีตายไปบ้างไหมคนที่เราเคยรักตายไปบ้างยังมีไหมมีใครเคยเลี้ยงสัตว์บ้างเลี้ยงสัตว์มีสัตว์ที่รักั้มตายไปยังตายบางคนชอบต้นไม้ต้นไม้อยังตายเลย <laughs> ความรักพลากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รัก จะดิ้นรนยังไงวันหนึ่งก็ต้องพรัดรากกับสิ่งที่รักจะดิ้นรนยังไงก็ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เราสมหวังตลอดไหมมมีทางพอสมหวังอย่างนี้เราจะขยับไปหวังอย่างอื่นต่อไปอีกจะขยับความต้องการเงี้ยไป เงี้ยปรารถนาสิ่งใดนะสุดท้ายมันก็ไม่ได้สิ่งนั้นหรอกมันจะไปได้ตลอดไม่ได้ความโศกความร่ำไรร่าพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจนะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในชีวิตตลอดเลยงั้นการหาความสุขอย่างที่ชาวโลกเขาหาเนี่ยมันไม่พน้นหรอกมันก็เที่ยวหาความสุขทเที่ยวหนีความทุกข์วนเบียนอยู่แค่นี้เองหาความสุขมาให้กายให้ใจ พากายพาใจให้พ้นทุกหนีไปพุนเบียนอยู่แค่นี้าการจะเที่ยวหาความสุขกันยจะเที่ยวหนีความทุกข์นะสัตว์ทั้งหลายก็ทําสัตว์ทั้งหลายหิวก็เที่ยวไปล่าเหยือ่อหากินอยากสืบพันธุ์แล้วถ้าไปกัดกันแย่งตัวเมียต้าสู้กันบางตัวถึงตาย เสร็จแล้วก็มาเลี้ยงลูกนั่งสารมากเลยใครเคยเห็นนกเลี้ยงลูกนะโอ้ยมันเหนื่อยแสนสาหัสนะอลูกมันจะอ้าปากตลอดเวลาเนะี่ยอแม่ตัวพ่อตัวแม่นะนก็กบินไปหาอะไรมาป้อนตลอดเวลาป้อนเท่าไหร่ก็ไม่เต็มโอ้มันทุกข์นะทุกข์สัตว์ทั้งหลายนะหาความสุข หนีความทุกข์นการตอบสนองความต้องการมีความอยากขึ้นมานะั้นก็สนองความอยากได้ถ้าสนองได้ก็มีความสุขสัตว์ทั้งหลายทําอย่างนี้ตั้งแต่สัตว์ในราชานจนกระทั่งคนทั่วทวไปมีความอยากขึ้นมานะสนองความอยากได้ก็มีความสุขพวกที่มีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นเขาก็เห็นวนะ่าความอยากนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราสนองเท่าไหร่ก็ไม่จบหรอก ได้แค่นี้จะเอาต่อไปอีกเงั้นใจจะเต็มไปด้วยความผิวไม่มีทางสิ้นสุดพวกที่ฉลาดขึ้นมาก็คิดจะมาควบคุมความอยากของตัวเองวิธีควบคุมความอยากของตัวเองทํำหลายแบบพวกหนึ่งก็มาฝึกทางจิตทำจิตให้สงบเข้าฌานเลยต่อไลไปสบายจิตได้เข้าฌานแล้วนะั่งความต้องการ ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายเนี่ยจะมีน้อยเมือ่อทีไม่กินข้าวก็อยู่ได้นานไม่จำเป็นต้องไปจีบสาวหรอมีความสุขอยู่ในตัวเอง mm hmm. ไม่สนองตัณหาไม่สนองความอยาก mm hmm. แบบที่ชาวโลกเขาทำกันมีความสุขด้วยการฝึกจิตฝึกใจให้สงบพวกนี้ก็ภูมิปัญญาสูงขึ้นมา สัตว์ทั้งหลายธรรมดาธรรมดาสัตว์ทั้งหลายนะั้นสนองตัณหาแล้วมีความสุขพวกที่มีปัญญาเขาคิดว่าควบคุมตัณหาได้เราจะมีความสุขควบคุมด้วยการฝึกจิตให้สงบมันไม่ได้อยากเห็นรูปไม่ได้อยากฟังเสียงไม่อยากได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรแล้วสงบสบายอีกพวกหนึ่งกลับข้างเลยไม่ได้ฝึกจิตแต่ว่ามาทรมานจิตอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอน ทำตัวให้ลำบากเราเรียกว่าทรมานกายแต่ความจริงวัตถุประสงค์นั้นเพื่อทรมานจิตอยากกินก็ไม่กินเนี่ยร่างกายลำบากก็จริงแต่ว่ามันเป็นการทรมานจิตเองอยากเหรอข้าไม่สนองความอยากอยากอย่างนี้ก็ไม่สนองอยากอย่างนี้ก็ไม่สนองแกล้งมันไปด้วยเพราะเห็นว่าวิ่งสนองความอยากไปแบบสัตว์ธรรมดานั้นไม่พ้นทุกข์หรอก เงี้ยพวกที่ไปทรมานตัวเองนะก็คือพวกที่มุ่งไม่สนองความอยากส่วนพวกที่ไปฝึกจิตฝึกใจก็ไม่สนองความอยากอย่างโลกโลกนะแต่ไปสร้างความอยากที่ประณีตขึ้นมาแทนอยากสงบอยากสุขพระพุทธเจ้าเห็นอีกลึกเรื่องไปอีกนะการที่จะตอบสนองความอยากไปเรื่อยๆก็เรียกว่ากามสุขาริการุโยกไม่ทำให้พ้นทุกข์ การที่จะขจัดความอยากออกไปนะปฏิเสธมันด้วยการบังคับกายบังคับใจตัวเองเรียกว่าอาตัตกิลมัฐานนโยคก็ไม่ใช่ทางคนถูกท่านได้ลองทั้งสองอย่างนี้มาแล้วตอนเป็นเจ้าชายก็มีความสุขอย่างที่ชาวโลกเขามีเต็มที่มากกว่าคนทั่วไปก็พบว่าการสุขัญและการนุโยค ก, การสนองความอยากไปเรื่อย ไม่ทําให้มีความสุขจริงท่านไปหัดเข้าฌานกับฤศีแลท่านก็พบว่ามันสงบมันสบายเฉพาะตอนเข้าฌานออกจากฌานมามันก็ไม่สงบไม่สบายอีกแล้วมันยังแปรปรวนได้อีกท่านมาทรมานร่างกายหวังว่าทรมานไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งจิตจะพ้นจากความอยากทรมานอยู่หลายปีแทบตายก็ไม่เห็นมันจะพ้นความอยากตรงไห น, นท่านเก็มาพ้นพบทางสายกลางนะ ไม่ย่อนย่อนก็คือการที่ตอบสนองความอยากไปเรื่อยๆไม่ตึงไปก็คือบังคับกายบังคับใจเพื่อจะไม่สนองความอยากท่านมาค้นพบศาสตร์แห่งการเจริญสติเจริญปัญญาขั้นแรกเลยท่านฝึกจิตของท่านท่านฝึกจิตของท่านในตําราก็พูดเรื่องท่านเข้าฌาน ข้าประถมชาตทุติยชาติชาตที่สองชาติที่สามชาตที่สี่จตุตตะชาติจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตอ่อนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตเมื่อเตรียมความพร้อมของจิตเสร็จแล้วท่านโน้มน้อมจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนะเอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วมาดูดูว่า ความทุกข์มันเกิดจากอะไรไม่ใช่คิดเอานะบางคนคิดว่าถ้านั่งคิดเอาทานั่งคิดเอา่าไม่เป็นหรอกนี่ท่านดูความทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นไก่ใจเห็นเลยตัวทุกข์ที่แท้จริงคือรูปกระ n a นิ่งคือตัวทุกข์นะ ตัวทุกข์งั้นไปหยิบเวยเอารูปนามมาก็คือหยิบเวยเอาตัวทุกข์มาทำไมไปหยิบเวยตัวรูปตัวนามมาเพราะมันมีความอยากอยากอะไรอยากมีความสุขอยากอะไรอย่างนี้ความทุกข์ทำไมมันมีความอยากเพราะมันไม่รู้ความจริงของรูปนามคือเอวิชาเมื่อมีวิชาก็เลยมีตัณหามีตัณหาก็มีอุปาทานมีพบมีชาติมีทุกข์สิ่งที่เรีว่าทุกข์คือรูปนามนี่เอง กายกับใจนี่งซึ่งเราเข้าไปยึดไปถืออยู่การได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าชาติการได้มาได้มาแล้วก็มาครอบครองรูปธรรมนามธรรมนี้เป็นตัวทุกข์ศาสต์อย่างนี้ไม่มีในคำสอนที่อื่นมีแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอน เพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงว่ารูปนามนี้คือตัวทุกข์กายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์ก็จะเรียนเมื่อมาถึงตรงนี้ได้นะจิตจะหมดความยึดถือในรูปนามหมดความอยากในอารมณ์ทั้งหลายเพราะมันยึดถือในรูปนามนะมันก็เลยอยากสนองให้รูปนามเป็นสุขให้รูปนามพ้นทุกข์ถ้ารู้ความจริงของรูปนามแล้ว ความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยการรู้ความจริงก็เรียกว่ามีวิชาทำลายอวิชาไปไม่มีอวิชาตัณหาคือความอยากจะไม่เกิดความอยากไม่เกิดความหยิบฉวยเอารูปนามขึ้นมาจะไม่มีความทุกข์มันจะไม่เกิดนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนถ้าขาดอง ค, ความรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือไม่มีพระพุทธศาสนา เราขาดเรื่องอริ ย, ยสัจซะแล้วบางคนนคิดง่ายๆนะสี่ห้ายังมีคนท่องได้หนึ่งข้อก็เรียกว่าศาสนาพุธยังไม่ศูนย์สีลห้ามีมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วทำไมว่าเหลือหนึ่งข้อก็ยังไม่ศูนย์ไม่ใช่หรอกถ้าเมื่อไหร่โลกนี้ลืมอริยสัจพระพุทธศาสนาศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้คนที่รู้เรื่องอริยสัจ น้อยเต็มทีเลยใครจะรู้ใครจะนึกถึงว่ารูปนี้คือทุกข์นามนี้คือทุกข์ไม่มีนึกถึงนึกได้แต่อาการปรากฏของทุกข์ว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อะไรมีอยู่ละความแก่ความเจ็บความตายถึงมีอยู่ก็มีรูปอยู่มีกายอยู่กายนี่แหละตัวทุกข์เรารู้แต่อาการปรากฏของทุกข์นะว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก เป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ใครรู้สึกพลัดพลากลนะ่ะใครรู้สึกเจอสิ่งที่ไม่รักลนะ่ะใครอยากแนละ้วไม่สมอยากลนะ่ะจิตเป็นคนทำเราเห็นแต่อาการของความทุกข์เราดูมาไม่ถึงตัวจิตนี้คือตัวทุกข์ถ้าไม่รู้ว่าโดยสรุป รูปนามนี้คือตัวทุกข์ก็เรียกว่ายัางไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งจะไม่สามารถล้าสมุทัยคือล้าตัณหาได้เมื่อล้าตัณหาไม่ได้ก็จะไม่เห็นนิโรธคือไม่เห็นพันิชพานถ้าไม่เห็นพันิพภานก็ไม่มีอริยมรรคการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกัน ตรที่เข้าใจตัวนี้แจ่มแจ้งนี่แหละทำลายอาวิชชาลงไปรู้อริยสัจแจ่มแจ้งรู้ว่าอริยสัจมีสอย่างคือ ท, ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครู้กิจต่ออริยสัจว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญแล้วก็ลงมือทำในกิจทั้งสี่นี้สำเร็จในขณะจิตเดียวกันฟังแล้วเหมือนยากนะแต่ค่อยๆเรียนเป็นลำดับไปไม่ยากหรอก มันไม่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ง่ายๆต้องตั้งใจเรียนนะค่อยๆเรียนเรียนอะไรอันแรกเลยเรียนฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมส ก, ก่อนที่จะเจริญปัญญาเมื่อจิตพร้อมที่เจริญปัญญาแล้วก็เรียนวิธีเจริญปัญญาเนะมื่อรู้วิธีเจริญปัญญาแล้วก็ทำให้มากในที่สุดปัญญาก็เกิดปัญญาเกิดจะทาลายความไม่รู้ลงไปทไาลายอวิชาลงไป ทำลายอาวิชชาได้ก็ทำลายเชื้อเกิดได้ถ้านเะข้าสู่พานิาพัานมีความสุขนะไม่ใช่ว่าสูญเสียปุถุชนเนี่ยนึกถึงพานิาพาทในแง่ของความสูญเสียราญาตบุคคลเน่ยนึกถึงพานิาพัทธ์ในแง่ของความาร่าเริงคือรางวัลของชีวิตเลยนะความรู้สึกมันไม่เหมือนกันความรู้สึกปุถุชนนึกถึงนิพพานนไม่เอา เขาอยาอริเรอร่อยกับโลกมันนอนนะนอนอยู่ในหลุมซ่วมกิน อ, อือร่อยพระพวกไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยสองคนเพื่อนกันคนนึงไปเกิดเป็นนอนคนนึงเกิดเป็นเทวดาเทวดามองลงมาโอ้หนอนมันอยู่ในซ่มมันกินอึอทั้งวันเลยตัวกลมมันนั่งสารก็ลงมาบอกเฮ้ยเองตั้งใจศศรักษาศีลปฏิบัติธรรมดีกว่านะ จะได้ไปเป็นเทวดานอนก็ถามว่าเป็นเทวดาดียังไงโอ้อยากกินอะไรเนรมิตเลยเนรมิตขึ้นมากินเองเลยสบายนะอยากอยู่ปราสาทเงี้ยก็เนรมิตมาอยู่นอนบอกไม่เอาหรอกทุกวันนี้มีเอือกินโดยไม่ต้องเนรมิตเลยมีส้วมอยู่โดยไม่ต้องเนรมิตเลยนั <c> ่น <oughs> ติดใจอยู่ในภพนะสักนี่เกิดอยู่ในภพอะไรก็ติดใจอยู่ในภพ น, นั้นนะ ฉน้นสัตว์ที่จะเข้มแข็งที่จะกล้าออกจากภพกมีไม่มากหรอกชาวพุทเราเองเป็นคนส่วนน้อยอะแต่ปรปปับจะให้ออกจากภพพวกเราทําไม่ได้ค่อยๆฝึกออาฝึกจนเราเห็นความจริงของรูปนามนะเรารู้ว่ารูปนามคือตัวทุก ข, ข้าวนี้แหละมันออกของมันเองเลยมันรู้แล้วว่าตรงนี้ไม่ดีมันไม่เหมือนนอนนอนรู้สึกว่ากินอือก็ดีอยู่แต่ว่าพอเราพานาขึ้นกินอือไม่ดีละ คล้ายใจเรายกระดับขึ้นไปแจมจะไปสู่พระนิพพานะสิ่งที่เราจะเรียนคือเรื่องเหล่านี้แหละคือเรื่องทํำยังไงเราจะฝึกจิตให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญานี่สเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองเมื่อจิตพร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วนะก็ลงมือเจริญปัญญาให้ถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อถูกหลักแล้วทําให้มากเจริญให้มากมากผลจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องห่วงเรื่องการละไม่ต้องเสียดายโลก เมื่อสติสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วมันไม่เสียดายของมันเองแล้วไม่ต้องฝืนใจเลยโอ้ฝืนใจอะไรอาวร์ไม่ต้องเลยมีแต่ว่าเมื่อไหรจะพ้นมันไปสถกทีมีแต่กองทุกข์งั้นเรียนแล้วไม่สูญเสียนะไม่ใช่ชาวพูดเรียนแล้วรู้สึกสูญเสียหูเสียทุกอย่างเสียกายเสียใจไม่ใช่มันจะรู้เลยว่ามันไม่น่าวคนที่ติดอยู่กับโลกก็คือคนหลงเท่านั้นเอง เราจะเรียนให้หายหลงตอไปนี้ไปกินข้าวก่อนไปไม่มีแรงก็พอน้ำไม่ไหว